ก็บอกว่าเมื่อสมัยที่มนุษย์อายุประมาณหกปีหมื่นปีนั้นพระศ า, า, าสดาพระนามว่าเวสภู เ, นนะเทนะเทพพระเจ้าผู้พิชิตเขาว่างั้นนะ่เนนะเรเทวดาผู้มีชัยชนะพระองค์นั้นถือว่าเป็นผู้ครอบงำโลกทั้งปวงถือว่าครอบงำด้วยเดชแห่งคุณทั้งหลายเนี่ยนะว่าผู้มีบุญมาเกิดแบนั้นนะ่เนนะเพราะพระองค์ก็ได้เกิดขึ้นอุบัติขึ้นในโลกเพราะอะไรเพราะพระองค์สร้างบารมี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 ซึ่งเป็นอัคราเมหสีของพระเจ้าสุ ป, ปฏิต ะ, ะนะพระองค์นี้เป็นที่ตั้งแห่งความยำเกรง น, นะ ก, ก็คือใครก็ใครก็เกรงพระราชาพระองค์นี้มากมีอำนาจมากณนะกรุงอนมะอยู่ในพระคันกำหนดครบถ้วนทศมาศนะนะก็ถ้าอย่างที่กล่าวว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายในชาติสุดท้ายนั้นไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนในการอย่างลงสู่คันพระมารดา เพราะขณะที่จุติปฏิสนธิในครันของมานาะแสงสว่างในหมื่นโลกธาตุก็เกิดขึ้นบุพนิมิต32อย่างก็เกิดขึ้นและอยู่ในคันอย่างมีสติสัมปชัญญะท่านรู้ตัวตลอดว่าตอนนั้นนะ่ะท่านอยู่ในคันนะไม่เผลอเลยนะว่าเออตอนนี้สลบสไลด์แบบแบบเด็กทั่วๆไปสลบสไลด์อยู่ในครันแบบไม่รู้ตัวว่าตัวเองอยู่ในคันไม่ท่านรู้นะว่าท่านอยู่ในคภนนะแล้วมีสติสัมปชัญญะในการคลอดจากคันรู้ตัวตลอดเหมือนกับว่า คลอดเหมือนไรเหมือนกับคนเดินลงบันไดรู้ตัวไหมชั้นใดพระโพธิสัตว์ตอนที่คลอดท่านก็รู้ตัวชั้นนั้นแล้วก็พอคลอดออกมาปั๊บก็มีเทวดาช่วยกันดูแลท่อน้ำท่อไฟไลไจากอากาศก็กช่วยกันอาบรารถเสร็จแล้วท่านก็เดินแต่ร่างกายก็ไม่แปดเปื้อนนะีผิวพรรณเนี่ยประดุจทองระวางกันไม่แปดเปื้อนด้วยน้าอะไรสักอย่างเลย ก็ประดุดทองพระโพธิพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์ไม่ต้องล้างมือก็ได้ไม่มีฝุ่นละอองมาแปดเปื้อนนะนะผิวละเอียดบริสุทธิ์ขนาดนั้นและพระองค์ก็เสด็จพุทธดำเนินนั้นจึงไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนในการอยู่ในครันไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนในการประสูดจากพระคันนะนะเสร็จแล้วก็พอพระองค์ประสูตดเท่านั้นก็ปกติแล้วพระพุทธพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์จะต้องแปล่งอาสพิวาจา ที่ว่าอโคหมมะสมิเชตโธเศโธโลกัสะอยมันตินัติชาติปุณณัติชานิปุณพะโว่เนี่ยนะก็ที่บอกว่าเสียงของพระองค์เนี่ยบรรลือเหมือนเสียงโค อ, อาสพะโคโคหัวหน้าฝูงแล้วมันเวลาโคมันร้องอะนะนะเะะนันก็เลยมีเสียงเหมือนโคโคอุสสพะเพราะฉะนั้นในวันเฉลิมพระนามก็เลยช่วยกันเรียกขานว่าเวสภูเพราะที่ร้องเหมือนเสียงโค นะเรื่องโคโคตัวจา่าฝูงโคหัวหน้าเปล่งเสียงออกมาเนี่ยนะพระองค์นั้นครองค า, ารวะวิสัยอยู่ 6,000 ปีมีปราสาทสามหลังสุจิสุรุจิและรติวัฒนะพระสนมกำนานประมาณสามหมื่นนางมีพระนางสุจิตาเทวีเป็นประมุขเมื่ออยู่ได้ประมาณ 6,000 ปีนั่นแหละจึงมีพระโอรสชื่อว่าสุ ป, ปะพุทธกุมาร น, นะ พระราชโอรสของพระนางสุจิตตาเทวีก็สมภพพระองค์ก็เห็นนิมิตทั้ง4เสด็จประพาสอุทยานด้วยพระโวทองทรงรับผ้าการสายะที่เทวดามาถวายตอนที่นั้นอ่ะนะก็ทหารที่ติดตามองค์ครักนั้นอ่ะตอนที่ไปเที่ยวอุทยานเนี่ยประมาณ7จ0 0 0มื่นะพวกอื่นๆด้วยนะพวกนี้บวชตามเสด็จหมดครั้งนั้นพระองค์อันบันประชิตเหล่านั้นเวดล้อมบำเพ็ญเพียรอยู่หกเดือน บำเพ็ญเพียรคือรวบรวมโพธิปักจัยธรรมเนี่ยนะรวบรวมคุณธรรมทั้งหลายใช้เวลาหกเดือนวันวิสาขบุรมีพระองค์ก็บริโภคเข้าเาสเวยข้าวมาทุกปายาตที่พระพี่เลี้ยงชื่อว่าสิริวัฒนาผู้ปรากฏตัวณสุจิตานิคมถวายแสดงว่าพระพี่เลี้ยงเนี่ยนะบวชแล้วก็ยังตามไปคอยดูแลเรื่องอาหารเรื่องอะไรอยู่เหมือนเดิมเหมือนกนก็เลยถวายข้าวมาทุกปายาต พระองค์ก็ยับยั้งพักกลางวันนะสวนสารวันเวลาเย็นก็รับหญ้า8ปดกำรรที่พญานาคชื่อว่านรินทะถวายพญานาคเลื่อมสายมากเอาญ้าไปถวายเลยที่นั่งนะนะพระองค์ก็เสด็จเข้าไปยังโพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้หรือต้นไม้เป็นที่ตั้งแห่งการเจริญโพที่ปักจยธรรมอย่างเต็มบริบูรณ์ชื่อว่าต้นสาระในด้านทิศทักษิณของหมู่บ้านนั้นนะนะสาระต้นนั้นมีขนาดเท่าต้นปาตาลีคือต้นแคฝอยนั่นแหละดอก ดอกผลเสริสมบัติก็เพิ่งทราบอย่างนั้นพระองค์ก็เสด็จเข้าไปยังโคนต้นสาละโปรง่งล่าสันทัตที่นั่งที่ทำด้วยหญ้าประมาณ4ี่อประทับนั่งขัดสมาธิพระองค์ก็ทรงได้อนาวรณายานอนาวรณายานก็คือยานสุดท้ายในอะไรในอาสาธรณายานทั้ง6ก็แสดงว่ายกนับหกเกวันนับหเลยนะก็อนาวรณายันสัพพัญยุตยานมหากรุณาสมาบัติยาน ยามกะปาติหาริยานอินทริยโปรปริยติยานอาสยานุสยาานี่ก็นับหกไล่ถอยขึ้นมาอย่างนี้นะเมื่อพระองค์ได้ยานที่ปราศจากนิวรณเครื่องเศร้ามองทั้งมวลห้ามกันความเมาในการทุกอย่างนะหลังจากที่ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แป่งอุทานว่าอเนกชาติสังสารังสันตาวิสังอันนีพิสังเป็นต้นพระองค์ก็ยับยั้งบริเวณต้นโพเพล็กนั่นแล7สัปดาห์ สัปดาห์ที่8ปท้าวมหาพรหมก็มาอาราธนาพระองค์ก็เห็นอุปนิสัยสมบัติของโซนกุมารและอุตตรักกุมารทักกนิตตพาดาคือน้องต่างแม่ของพระองค์ก็เสด็จไปยังอากาศลงที่อรุณราชจุทยานใกล้กรุงอนุปะมะพระองค์ก็ให้พนักงานเฝ้าราชจุทยานไปอัญเชิญกุมารมาแล้วพระองค์ก็ประกาศพระธรรมจักร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 แต่แต่ว่าสององเนี่ยนะมีบุญมากพระองค์ก็เลยประกาศพระธรรมจักรให้สองกุมารพร้อมทั้งบริวารสมัยนั้นมีผู้ที่ตรัสรู้หลังจากที่พระองค์ประกาศอริยศาสตร์นั้น 80,000 ื่นโกดต่อจากต่อจากนั้นมาอีกพระพุทธเจ้าเมื่อเสดจาริรกไปในชนบทก็แสดงธรรมะโปรดชนบทถิ่นนั้นๆตามสถานที่ต่างๆตามหมู่บ้านต่างๆ สมัยที่พระองค์เสด็จจากิเพื่อโปรดสัตว์มีผู้ตรัสรู้ประมาณเจ็ดหมื่นโกดอันนี้เป็นครั้งที่สองส่วนครั้งที่สามพระองค์ทาลายขายคือมิจฉาทิฐิที่หกสิบสล้มทงคือมิจฉาทิฐิล้มทงคือมานะของบวกเดรธีด้วยกำจัดความเมาเมาในลาบยศการาสรรเสริญเมาด้วยอํานาจมานะพระองค์ก็ยกทงคือโพธิปัจกิยธรรมขึ้น โดยทรงธ ร, รมยมมะกะปาติหารเพราะฉะนั้นมนุษย์บริษัทกว้างประมาณเก้าสิบโยตเทวะบริษัทประมาณมิได้นะกรุงอนุปมะนั่นเองพระองค์ก็ยังเทวดาและมนุษย์ให้เลื่อมใสพระองค์ก็ยังสัตว์หก0มืนโกดให้อิ่มด้วยอมะตะธรรมอันนี้เป็นอภิสมัยการตรัสรู้ธรรมครั้งที่ส เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสเล่าในพุทธวงให้ภาษาริบุตรฟังว่าในมันกับนั้นนั่นเองพระผู้นําโลกพระนาว่าเวสภูผู้ไม่มีผู้ใดเสมอไม่มีผู้ใดเทียบเคียงก็อุบัติขึ้นในโลกพระองค์ทราบว่าโลกสามถูกการราคะถูกราคะไม่แล้วเป็นถิ่นของตันหาพระองค์ก็ตัดเครื่องพันธนาการดุดพยาช้างพระองค์บรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุด พระเวสสภูพุทธเจ้าผู้นำโลกประกาศพระธรรมจักอันนี้เป็นมีผู้ตรัสรู้ครั้งที่หนึ่งแปดหมื่นโกดเมื่อพระโล ก, กเชษผู้นำโลกองอาจในหมู่นรชนเสด็จหลีกจาริกไปในแว่นแขวนการตรัสรู้รมครั้งที่สองก็มีแก่สั 7, 000, ตว์เจ็ดหมื่นโกด ส่วนครั้งที่สบอกว่าเมื่อพระองค์บรรเทาทิทฐิอย่างใหญ่หลวงของเดรธีทมยมกะปาฏิหาริมนุษย์และเทวดาในหมื่นโล ก, กธาตุในเทวโลกก็มาประชุมกันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเห็นมหาสจั์ไม่เคยมีหน้าขนลุกชูชัน น, นะก็ตรัสรู้ธรรมถึงหกหมื่นโกธสำหรับการแสดงปาฏิโมกเนี่ยนะกล่าวว่าพระเวสสุูพุทธเจ้ายกปาฏิโมกขึ้นแสดงในวัน มาคะปุรมีในถ้ำกลางพระอาหารหันต์แ0 0 0ื่นโกร8ที่แห 0,000 รูปที่บวชในสมาคมของพระโสนาและพระอุตระคู่อัคาระสาวกอันนี้เป็นประชุมสนนิบาตสาวกอาหารหันต์ครั้งที่หนึ่งส่วนครั้งที่สองก็มีพิสูจ์จำนวน 70,000 ื่นที่บวชพร้อมกับพระเวสสภูผู้ครอบงำโลกที่พากันหลีกไปคือพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยนะวันตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นเนี่ย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 พระองให้พระพิสูจน์เหล่านั้นบวช ด, ด้วยเอหิพิกุบันประชาทั้งหมดเสร็จแล้วก็ยกปาติโมกขึ้นแสดงในบริษัทที่ประกอบไปด้วยองค์4อันนี้เป็นการประชุมสันนิบาตอริยสาวกอรหัน์ครั้งที่2 อ, อันหนึ่งครั้งรา ช, ชบทพระนามว่าอุปสรรตะเนี่ยนะก็คือบุตรของพระพุทธเจ้านั่นแหละขึ้นครองราชในกรุงนาริวาหนะแสดงว่าพระอุปสรรตะนั้นอ่ะอย่างพระราหุลเนี่ยแม่ให้ไปขอสมบัติตอนอายุ7ขวบใช่ไหม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 นิมนต์ถวายมหาทานสดับพระธรรมของพระองค์ก็มีเลื่อมใสใจออกบวชก็บวชพร้อมกับบุตรหกห0 0 0นคนนะนะก็บวชตามเสด็จพิสูจเหล่านั้นก็บรรลุพระอาหารพร้อมกับราชบุตพระองค์อ่ะเข้าไปพระผู้มีพระภาคเจ้าเวสภูอันพิสูจนเหล่านั้นเวดล้อมก็ยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงครั้งที่3ก็มีผู้บรรลุ 60,000 ่ 60, ครั้งแรก 80,000 ่นไงครั้งที่สอ0เจ็่นครั้งที่3 6 0,000 ื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 เมื่อพระเวสสุผูพุทธเจ้าผู้นำโลกเสด็จถึงกรุงสร พ, ะพระพระโพธิสัตว์ก็ฟังข่าวได้สดับธรรมของพระองค์นะก็คือได้ฟังกิติศัพท์อันงามของพระพุทธเจ้าก็เข้าไปฟังธรรมหลังจากฟังธรรมก็มีใจเลื่อมใส ย, ยกอัญชลีอันรุ่งเรืองด้วยาาทาษะนขาสมโมานท่าแปลว่าสิบนัก น, นะก็คือาขณขาก็แปลว่า นิ้วหรือเล็บเนี่ยนะสโมโธธรมแล้วว่าการประชมการประชมนิ้วมือทั้ง10นะเหมือนดอกบัวตูมที่เกิดในน้ําไม่มีมนทินไม่วิกลบคล่องเอาไวเ้เหนือเสียนก็ว่า้ท่วมไม่ใช่ไหว้แบบนี้นะอันนี้ไหว้แบบนี้เรียกว่าเป็นภาพที่ไม่ค่อยสวยแต่ว่าแบบนี้นะเหนือเสียรยังไงก้มลงแล้วก็ไหว้ พระโพธิสัตว์ก็ถวายมหาทานพร้อมทั้งจีวรแด่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานถวายอาหารเสร็จแล้วถวายผ้าไตรเป็นต้นเนี่ยนะสร้างพระขันตกุฏิเพื่อให้เป็นที่ประทับอยู่ของพระผู้เมพระภาคเจ้านะนคร น, นั้นเสร็จแล้วก็สร้างวิหารสร้างกุฏิเพิ่มภูนิษฐพันหลังล้อมพระขันตกุฏินั้นนะสร้างกุฏิเสร็จแล้วก็สร้างกุฏิในบริเวณวัดอีกพันหลังบริจาคสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในพระพุทธศาสนา เพื่อบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าเสร็จแล้วก็บวชณสำนักของพระองค์ก็ได้ ว, ว่าให้ทานรักษาศีลก็คือบวช ด, ด้วยพึงพร้อมด้วยอาจาระคุณแล้วก็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติขัดเกล้าเรียกว่าทุดดงข้าคุณทุต่าแปล ว, ว่าขัดเกล่านั่นเอง ยินดีในการสแสวงหาโพธิสมภารแสวงหาบุญกุศลคุณงามความดีที่จะช่วยให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็มีใจยินดีในพุทธศาสนามีใจยินดีในอธิศีนอธิจิตและอธิปัญญาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นนะนะพระพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภูก็พยากรณ์พระโพธสิสัตวว่าในอนาคตการ3 1กับนับแต่กับนี้ นะพระพิโสรูปนี้จักได้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะไม่ใช่รีบพยากร์เลยนะหมายว่าเห็นท่านประพฤติข้อวัดปฏิบัติเต็มที่แล้วค่อยพยากร์พระพุทธเจ้านี้เป็นกาลันอยู่บุคคลรู้เวลาที่จะพยากรณ์ไม่ใช่ไปเที่ยวพยากรณ์พูดบอกไปพร่ำเพรื่อไม่ใช่เพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสเล่าให้ภาษารีบทฟังในพุทธวงศ์ว่าในสมัยนั้นเราเป็นกษัตริย์นามว่าสุทัศนะนิมนต์พระมหาวีระเจา้าพระองค์ผู้กล้ากล้าถวายทาน อย่างสมควรอย่างยิ่งเพื่อบูชาพระชินพะพุทธเจ้าทําบุญถวายทานกับพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิสูจน์สงด้วยข้าวน้าําผ้าพระโพธิสัตว์ได้สดับพระธรรมจากอันอุดมประณีที่พระพุทธเจ้าผู้ไม่มีผู้ใดเสมอพระองค์นั้นประกาศแล้วก็ชอบใจในการบรรประชาเพราะอริยสัจสี่เนี่ยนะมักสัจจะนั้นสริริร่างกายที่คู่ควรกับการเจริญอริยมรรคโดยมากถ้าอินทรีย์ไม่แก่กล้าการบวชนั้นถือว่า สำคัญแต่ถ้าอินทรีย์แก่กล้าบารมีแก่กล้าก็ไม่ค่อยมีปัญหาพระโพธิสัตว์นั้นบำเพ็ญมหาทานไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันกลางคืนพระองค์ก็ทราบว่าการบรรพชานี่พรั่งพร้อมหรือเป็นที่ตั้งแห่งคุณธรรมทุกอย่างจึงบรรพชาในสำนักของพระชินะพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์นั้นถึงพร้อมด้วยอาจาระคุณตั้งมั่นอยู่ในวัดศีลแสวงหาพระสัพพัญญุตยานยินดีในพระศาสนาของพระชินทะพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์นั้นเข้าถึงศรัทธาและปีติถวายบังคมพระพุทธเจ้าผู้ศาสดาพระองค์นั้นเกิดปีติเพราะเหตุแห่งโพธิญาณ น, นั่นแล พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนาวเวสสภูรู้ว่าพระโพธิสัตว์มีจิตไม่ท้อถอยก็พยากร์พุทธพยากรว่านับแต่กับนี้ไปส1บเอดกับท่านผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้ารายละเอียดก็ดังที่เราทราบนะมันพระโพธิสัตว์นั้นก็ได้ฟังพุทธดำ ร, รัสก็บำเพ็์อธิษฐานข้อวัดปฏิบัติในการสร้างบารมีอย่างยิ่งยวดยิ่งยิ่งขึ้นไป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 อุปมาเสมอด้วยเสาทองเห็นเสาทองก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเวสภูพระองค์มีรัศมีแล่นออกจากพระวรากายเหมือนดวงไฟบนยอดเขายามราตรีใครเคยเทระวัตตั้งสปอรไลท์ให้สว่างรุ่งเรืองบนยอดเขาอะนะสว่างกลมกลมใสสว่างฉันใดแต่ว่าสปอรไลท์โดยทั่วไปมันสีเดียวไม่พระองค์เนี่ยหสีแล่นสว่างสวยออกไป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 มหาประธานสูตรเป็นต้นเนี่ยไม่รู้ไ่้พระพุทธเจ้าออสิขีนี่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มันเขาบอกว่าพูดถึงอดีตนึกถึงประวัติตัวเองได้นิดหน่อยนะถ้าใครเรียนประวัติาศาสตร์มาก็อาจจะเรียนรู้ค่าสักร้อยส0งเรียนแล้วแต่ประวัติาศาสตร์เมืองไหนใช่ไหมถ้าเรียนประวัติาศาสตร์เมืองเมืองกรุงเทพก็สัก200ปีประวัติาศาสตร์ อะไรนะกรุงธนบุรีก็มากกว่านั้นอายุทยาก็มากกว่านั้นลบบุรีสุขโขทัยเป็นต้นก็ยาวกว่านั้นศึกษาประวัติศาสตร์ของลุ่มต่างๆก็จะยาวไปตามนั้นแต่ถ้าศึกษาตาม พ, พุทธคุณทั้งหลายพุทธวงศ์ทั้งหลายก็ระลึกถึงสมัยพระพุทธเจ้ากัส ป, ปะพระพุทธเจ้าโกนาคามณะพระพุทธเจ้าอะไรเอง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 ปัจจุบันนี้ด้วยพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เพราะฉะนั้นนึกถึงอดีตก็เห็นพระรัตนตรัยและลึกถึงอนาคตก็เห็นพระรัตนตรัยปัจจุบันนี้ก็เห็นคุณของพระรัตนตรัยศรัทธาก็จะมั่นคงและไม่หวั่นไหวจะไม่สงสัยพระรัตนตรัยในอดีตไม่สงสัยในพระรัตนตรัยในอนาคตไม่สงสัยในพระรัตนตรัยในปัจจุบันก็จะเข้าใจความเป็นไปแห่งขันาธาตุอายตนะ ที่สืบเนื่องจากอดีตมาสู่ปัจจุบันไลลต่อไปในอนาคตก็จะข้ามความสงสัยอดีตอนาคตและปัจจุบันไม่สงสัยว่า ผู้ที่เขาตรัสรู้นั้นตรัสรู้ได้ด้วยบุญแท้ๆก็จะรู้กรรมรู้ผลของกรรมอันนอดีตกรรมทำกรรมมาในอดีตให้ผลในอดีตให้ผลในปัจจุบันและจะให้ผลในอนาคตกรรมที่ทําในปัจจุบันให้ผลในปัจจุบันอาจาติและให้ผลต่อไปในอนาคตถ้ากรรมที่จะทําในอนาคตก็จะให้ผลในอนาคตเชื่อมโยงกรรมและผลของกรรมเป็นกรรมวัดวิปากวัดอันน กิเลสสวัสด์ที่ตัวเชื่อมโยงเข้าไปก็เห็นว่ากรรมทั้งหลายเนี่ยนะให้ผลออกมาเป็นชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาติที่สุดแห่งพบชาติที่สุดแห่งการเกิดก็อยู่ที่ชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาติมันเมื่อเข้าใจอย่างนี้ก็เจริญอนุ ป, ปัสนาพิจารณาเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดจาก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 สิ่งที่ยังเหลืออยู่เนี่ยนะสำหรับของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคือเกสาโลมาคือขนแล้วก็หนาขาเนี่ยไม่ได้กล่าวไว้ว่าเล็บเนี่ยเหลือไหมเนี่ยนะก็คือผมเนี่ยเหลือพระนาขาขออภัยพระโลมาขนเนี่ยเหลือทันตะฟันก็คือกลมของแข็งทั้งหมดเนี่ยเหลือส่วนที่เหลือถูกไฟไหมหมดเนี่ยนะก็จะเหลือก็ส่วนทั้งหลายเหล่านี้ อันเดียวถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะแล้วจะได้เข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องพระบรมสารีริกธาตุพระองค์ก็อธิษฐานให้กระจายไปได้ยินว่าเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวเวสภูชินะชนะมานผู้ประเสริฐพระองค์นั้นสเสด็จดับขันธปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสศสนิพานดับรูปดับเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณท้อทิง้งชราและมรณะโดยสิ้นเชิง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 ทุกพระองค์เลยนะพระพุทธเจ้าที่ปังกรเมทงังกรสารนางกรโกลธัญญะมังคละพระพุทธเจ้าเหล่านั้นล้วนแต่ปฏิบัติตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แดแทงตลอดอริยสัจจึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะถ้าหากว่าเราปรารถนาที่จะข้ามพ้นจาก วัตทุก์ที่เป็นเหตุให้ตรัสรู้ธทำตามพระพุทธเจ้าสิ่งที่เราควรจะมาปราบเพราะก็คือการเจริญสัมมาทิฐิซึ่งเป็นหัวหน้าเป็นประธานเมื่อมีสัมมาทิฐิมีความรู้มีความเข้าใจที่ถูกต้องดีงามแล้วสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะคือสัมมาประธานสัมมาสติคือสติประธานสัมมาสมาธิคือฌานสี่พันการประชมอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เพื่อแทงตลอด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 เป็นต้นนี่นะโดยลําดับนั้นสิ่งที่เราควรจะศึกษาทําความรู้ทําความเข้าใจในเกี่ยวกับอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นั้นวิธีข้อปฏิบัติในการปฏิบัติอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นั้นมีหลากหลายเนี่นะมันควรที่เราจะศึกษาให้ให้ได้เข้าใจในแนวทางในวิธีการลลหลายๆประการด้วยกันมันอย่าไปปฏิบัติถือเอาสูตรใดสูตรหนึ่งก็พอมันควรศึกษาหารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมให้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 สัมมาวาจาเว้นจากวาจีทุจริตสี่ประการสัมมากรรมันตะเว้นจากกายทุจริตสประการสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตโดยชอบธรรมแล้วก็สัมมาวายามะสั ม, มประธานสสัมมาสติก็คือสติประฐานสสัมมาสมาธิก็คือฌานสี่พันการศึกษาพระธรรมเราก็ต้องศึกษาอารยาิยมรรคอันประกอบปด้วยองค์8ไม่ถือเอามรรคข้อใดข้อหนึ่งเพราะว่าในบรรดาธรรมทั้งหลายที่ปรุงแต่งแล้ว